ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตะประพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันนาพระอมาราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาโรชนาต่อไปจะเป็นนิสกิยะปัจิตตีสามสิบสิกขาบทจากพรนานาในนิสกิยะสิกขาบท นิสกิยาิกขาบทมีสามสิทสิกขาบทระดับด้วยวัคสามวควัคที่ต้นคือวัตแรกชื่อว่าจีวรวัคมีสิทสิกขาบทสิกขาบทที่ต้นคือปฐมกถินสิกขาบทแรกความว่าจีวรที่ตุทามสําเร็จแล้วกถินดาะแล้วคือว่าอานิสงกถินทั้งห้ารำลับแล้ว ด้วยปริปโพโธดสองขาดแล้วก็คืออาวาสปริปโพโธดกับจีวรภริโพโธดไม่กลับมาสู่อาวาสนี้แล้วแล้วก็เลิกทําจีวรแล้วหรือว่าจีวรนเสียหายไปส่วนอานิสงฆ์กระถินห้าอย่างก็ได้แก่อนามันตจารโรเที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลาตามสิกขาบทจริตตสิกขาบทแล้วก็อะสมาดานาจารโรไม่ต้องถือใจจีวอนไปครบสําหรับตาม สิกขาบทก็คืออุโทโธสิตะสิกขาบทแล้วก็คณะโภชนางฉันคณะโภชนะได้ตามคณะโภชนะสิกขาบทประดมประประโภชนะสิกขาบทด้วยแล้วก็ยาวะทัตตะชีวรังยาวะดัตตะชีวรงทรงอจิเรจีวรได้ตามปรารถนาในปฐมกสินสิกขาบทเนี้ยไม่ต้องทรงอจิเรจีวรได้สิบวันตามปฐมกสินนี่นะ โยจะตัดถะาจีวรุปปาโดจีวรที่เกิดขึ้นณนที่นั้นจะได้แก่พวกเธอเช่นจีวรที่ของพิจษุสัมบณณที่อาพาธที่มดณะภาพรงหรือว่าจีวรที่จ่ายมาด้วยค่ากันประดาสงเกิดในวัดนั้นก็จะได้แก่พวกเธอผู้ได้กรันกะถินแล้วมีเป็นอนิสงของกะถินห้าอย่างก็ได้รถจรสิขาบทในหลายข้อก็ถ้าเกิดกะถินต่อจแล้วเนี่ยนะ ให้อสองกรถิญเปริโพุธทั้งหลายขาดหมดแล้วให้พิจุพึงเก็บอจัจเดชีวรก็คือผ้าที่ยังไม่ได้วิกลอธิษฐานไว้เพียงสิวันยังไม่ได้วิกลยังไม่ได้อธิษฐานเนี่ยนะเก็บไว้ได้สิบวันเป็นอย่างยิ่งเมื่อพิกจุไว้อจัจเดชีวร น, นั้นให้เกินสิบวันไปก็คือเกินสิบวันจนถึงอารุณ์ที่สิบเอ็ดขึ้นมาผ้านั้นเป็นนิสกีเป็นอาบัตปาจิตตีด้วยเป็นอาบัติปาจิต ต, ตีต้องสละผ้านั้นก่อนจึงจะแสดงอาบัตตก จีวรหกชนิดโขมังผ้าทอด้วยได้เปลือกไม้กับตาติกังผ้าทอด้วยได้ป้ายโกเสยังผ้าทอด้วยไหมกำพลังผ้าทอด้วยขนสัตว์อันเศษยกแต่ขนมนุษย์ขนหางสัตว์เสียทอด้วยขนสัตว์อื่นๆยกเว้นผมมนุษย์กับขนหางสัตว์เรียกว่ากำพลสานังผ้าทอด้วยเปลือกสานะาพังคังผ้าที่เจือด้วยได้ห้ายาม มีได้เกิดไม้เป็นต้นผ้าหกอย่างนี้ก็ดีและผ้าทุกกูละผ้าปักคุณนะผ้าโสมารัปะตะผ้าจินนะปะตะผ้าอิทธิชะเกิดจากอิทิริสและผ้าเทวดาให้เนี่ยเทวทัตตะเหล่านี้เป็นอนุโลมตามผ้าหกอย่างก่อน ชื่อว่าจีวอนนจีวอนก็คือผ้าหกชนิดนี้แล้วก็ผ้าอนุโลมอีกหกชนิดที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ที่ยังไม่ได้อดีตฐานและวิกัพจึงชื่อว่าอาเตเตจีวร อ, อย่างต่ําก็เท่าไหร่นะแปดนิ้วคุณสี่นิ้วนับแต่วันได้ผ่านั้นมาเก็บไว้จนถึงอารุณ์ที่สิบเอ็ดขึ้นมาไม่ได้อดิตฐานวิกัพเสียสละเสียในระหว่างนั้นไม่ได้อดีตฐานไม่ได้วิกัพแล้วก็ไม่ไสละในระหว่างนั้นก็ เป็นนิสักียะปาจิตตีผ้าเป็นนิสักียะปาจิตีแล้วไม่เสียสละแก่สงหรือคณะหรือบุคคลก่อนเอามาบริโภคคือนุ่งหม่มเป็นทุกข์กวิธีอธิษฐานและวิกลับและเสียสละผ้าเป็นนิสักียะนั้นจะกล่าวข้างหน้าผ้าล่วงสิบวันไปแล้วภิกษุรู้อยู่ว่าล่วงสิบวันก็ดีสงสัยอยู่ก็ดีสำคัญว่ายังไม่ล่วงก็ดีก็คงเป็นนิสักยปาจิตตี ถ้าไม่ได้อดีษฐานและวิกัพยังไม่ได้สละกให้แก่ผู้อื่นและยังไม่ชิบหายด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ดีสําคัญว่าอดีษฐานแล้วเป็นต้นล่วงสิบวันไปก็คงเป็นนยศกิจญาปัญตีเหมือนกันแสดงว่าเขาเป็นอจิตตะจะรู้ไม่รู้ก็ต้องอบัติั้งนั้นถ้ายังไม่ล่วงสิบวันสําคัญว่าล่วงแล้วก็ดีสงสัยอยู่ก็ดีเป็นทุกกฎ ด, ด้วยบริโภคทิ้งตัวอดีษฐานเสียวิกัพเสีย เสนอให้ผู้อื่นเสียภายในติดวันพอดีถ้าหายที่หายเสียไปไม่เสียโจนชิงเอาไปเสียเพื่อนถือเอาเสียด้วยวิสาสะในภายในติดวันพอดีหรือว่าพิกถูกเป็นบ้าเป็นต้นพอดีเป็นบ้าถูกเวทนาครอบงามมีจิตฟุ้งซ่านหรือว่าต้นบัหยัติเนี่ยเหล่านี้ไม่เป็นอบัติทิกขาวบทนี้เป็นอนานัติกาใช้ให้ลืมไม่ได้หล้วใช้ให้ เก็บผ้าเกินสิบวันนี้ไม่เป็นอาบาัตสำํำนักผู้ใช้ผู้บังคับคนทำก็เป็นอาบาัตปล่อยให้จีวรเกินขึ้นมาก็เป็นอาบาัตมีองค์ห้าเป็นอนานติกะมีองค์ห้าก็คือข้อที่หนึ่งผ้าประกอบด้วยชาติและประมาณเป็นของของตนผ้ากอบดิชาติก็คือผ้าหกชนิดนั้นประมาณก็คือแปดนิ้วกุสี่นิ้วนี่แหละของของตอนอยู่น ะ, นะสิวัชพุทธผ้านั้นถึงซึ่งการนับวันได้ คือว่าถึงมือตนแล้วเป็นต้นก็คือสิบวันตั้งแต่ตัวเองรับมาแล้วเนี่ยสิบวันก้าปล่อยให้คืนที่สิบเอ็ดขึ้นมาวันที่สิบเอ็ดขึ้นมาก็ผ้าเป็นนสิสสกีอง์ที่สองก็คือผ้านั้นถึงการนับวันได้ก็คือจนสิบวันแล้วข้อที่สามปริโภชทั้งสองขาดแล้วอาว่าปิดโภชก็ไม่มีจีวันปิโภชก็ไม่มีข้อที่สี่ผ้านั้นเป็นอาติเรชจีวอก็คือไม่ใช่ผ้า ที่อธิษฐานไม่ได้พาธีวกับไม่ได้สละไปแล้วก็ข้อที่ห้าก็ล่วงสิบวันไปเพราะฉะนั้นข้อที่สองก็ผ้านั้นถึงการนับวันได้คือว่าถึงมือตนแล้วเป็นต้นสมายถึงว่าถึงมือตนแล้วก็เริ่มนับได้แต่ว่าล่วงสิบวันไปนี้เป็นองค์ที่ห้าพร้อมด้วยองค์ห้านี้นะพร้อมด้วยองค์ห้าก็คือข้อที่หนึ่ง ผ้าประกอบด้วยชาติและประมาณเป็นของของตนอย่างหนึ่งประดิษฐสองผ้านั้นถึงการนับวันได้คือว่าถึงมือของตนแล้วเป็นต้นประดิษฐสามไม่มีปริโทพทั้งสองปริโิพทั้งสองขาดแล้วประดิษี่ผ้านั้นเป็นอตัติเรกจีวรประดิษฐห้าล่วงสิบวันไปอันนี้จึงเป็นนิสกิยา ป, ปิตตีเป็นปฐมกถินสมุทฐานมีสมุทฐานสองก็คือ อาบัตินั้นเกิดแต่กายวาจาอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดแต่กายวาจาจิตอย่างหนึ่งต้องด้วยกายวาจาแล้วก็กายวาจาจิตเป็นอกิริยาอากิริยาก็คือไม่ถอนนะไม่ถอนหรือว่าไม่อธิษฐานเสียโนสัญญาวิโมกแล้วก็คือเป็นอจิตตะกะนั่นเองแม้ไม่รู้ทิขาบทก็เป็นแม้หลงลืมไม่มีเจตนาจะรู้สิขาบทก็เป็นเป็นปันณติวัชามีโทษ ตามพระบัญญัติที่พระเจ้าบัญญัติไว้เป็นกายกรรมก็ได้เวจีกรรมก็ได้ก็คือมีจิตตามมีเวทนาตามด้วยต้องด้วยกุศลจิตกุศลจิตอภิญญาปราชิตก็ได้โทมนัสโทมนัสอุเบกขาได้ทั้งนั้นอันนี้ปฐมังจบข้อแรกต่อไปสิกขาบทที่สองในนิสสกิยาปยติชื่อว่าทาุติยกถินบางท่านก็เรียกว่าอุโ ด, โดสิตะสิกขาบทบ้างอุโดสิตะก็คือโรงเก็บของ ความว่าจีวรแห่งพิกจุสำเร็จแล้วก็ถิ่นดาะแล้วถ้าพิกจุอยู่ปราจารตรจีวรนทั้งสามผืนหรือผืนใดผืนหนึ่งแม้แต่ราตรีหนึ่งถ้านั้นเป็นนิสกีต้องปาจิตตีเว้นเมื่อแต่พิจุได้รับอวิปปวาสมมติก็คือสมมติการอยู่ปราจากรายจีวรได้ถ้าสังคติถ้าอุตรสงฆ์ถ้าอันตรวาศกสามผืนนี้พิกจุอธิษฐานตามชื่อแล้วก็เรียกว่าไรจีวร ต้องรักษาถ้าไม่รักษาทิ้งไว้ให้อรุณขึ้นมาชื่อว่าอยู่ปราศจากผ้านั้นก็นแลที่ที่จะรักษาชีวรนั้นมีสิบห้าคือบ้านในบ้านนะหมายถึงหมู่บ้านเรือนคลังหอรบโรงกลมปราสาทปราสาทโลน้นเรือหมู่เกวียนไร่ลานข้าวสวนวิหารโคนไม้ที่แจ้งที่เหล่านี้เจ้าของคนเดียว ถ้าเจ้าของคนเดียวล้อมด้วยรั้วหรือกำแพงถ้ามีเจ้าของคนเดียวเท่านั้นหมายถึงว่าที่แต่ละที่เนี่ยมีเจ้าของคนเดียวแล้วก็ล้อมรั้วด้วยทิสุไว้จิวรในที่เหล่านี้ก็ให้อยู่ในที่ล้อมนั้นอยู่ในที่ล้อมนั้นไม่ต้องอยู่ในหัตถบาทได้ถ้าเจ้าของคนเดียวแล้วก็มีเครื่องล้อมด้วยถ้าว่าที่เหล่านั้นไม่ได้ล้อมเก็บผ้าไวในที่ใดก็ให้อยู่ในที่นั้นอย่ามละหัตบาทที่นั้น อยู่ในห้องนั้นก็ได้และอยู่ในห้องนั้นก็ไม่ต้องอยู่ในหัตถบาทแต่ถ้าออกมาข้างนอกอยู่ในหัตถบาทของห้องนั้นหรือว่าที่นั้นก็ได้ถ้าที่ลาวนั้นอี่หมายถึงว่าไม่ได้ล้อมไม่ได้ล้อมรู้ว่าถ้าที่เหล่านั้นเจ้าของต่างๆกันคือมีเจ้าของหลายคนเป็นที่ล้อมเก็บผ้าไว้ในที่ใดให้อยู่ในที่นั้นหรืออยู่ในที่เป็นที่ประชุมและริมประตูเป็นที่เข้าออกยามละหัตถบาทในที่นั้นหมายถึงที่ รงกลมหอรบปราสาต่างๆเหล่านี้ให้อยู่ในหัตถบัตในที่นั้นได้ไม่ต้องอยู่ในหัตถบาทของผ้านะนี่หมายถึงเจ้าของต่างๆกันแล้วก็มีล้วร้อมถ้าที่เหล่านั้นไม่ได้ล้อมล้วด้วยเก็บผ้าไว้ในที่ใดให้อยู่ในที่แห่งนั้นเลยอย่ามละหัตถบาทในที่แห่งนั้นถ้าไม่ได้ล้อมั้วก็ต้องอยู่ในหัตถบาทในที่นั้นนะไม่ต้องอยู่หับาทของที่วังก็ได้แต่ต้องอยู่หัตถบาทในที่นั้นก็คือที่ที่อยู่อาศัยนั้นนหะ มันจะเป็นกุติจะเป็นปราสาทอะไรก็แล้วแต่ถ้าพิกจุไม่อยู่ในที่ดังกล่าวมาผ้าผืนที่อยู่ปราดนั้นเป็นนิสสคีพร้อมกับด้วยอรุณใหม่ขึ้นมาต้องเสียสละผ้านั้นแกสงหรือคณะหรือบุคคลจึงจะนุ่งห่มได้วิธีเสียสละเป็นต้นจะ ก, กล่าวณเบื้องหน้าเพราะเหตุ น, นั้นต่อไปณนเะบื้องหน้าให้พึงรู้เถิดว่าของเป็นนิสสคีแล้วต้องเสียสละก่อนจึงแสดงอบาบัตตก ต่อไปจกไม่กล่าวอีกถ้าตรจีวรทิฏฐุอยู่ปราดแล้วรู้อยู่ว่าอยู่ปราดแล้วก็ดีสงสัยอยู่ก็ดีสําคัญว่าไม่ได้อยู่ปราดก็ดีก็คงเป็นนิสสกิยาปาจิตตีไตรจีวรทิฏฐุยังไม่ได้ปัจจุดถอนก็คือยังไม่ได้ถอนยังไม่ได้เสียสระยังไม่หายเป็นต้นทิฏฐุสําคัญว่าปัจจุดธรถอนแล้วเป็นต้นก็ดีสงสัยอยู่ก็ดีรู้อยู่ว่ายังไม่ได้ปัจจุดธรเป็นต้นก็ดี และอยู่ปราดจากผ้านั้นก็คงเป็นนิจกักีถ้าตราจิวณพิจุไม่ได้อยู่ปราดสําคัญว่าอยู่ปรากดกดีสงสัยอยู่ปดีเอามาบริโภคต้องอบัตทุกฏกสงสัยแล้วอย่าเพิ่งไปทําต้องตรวจตราพิจารณาให้เรียบร้อยเสียก่อนก็ไปทำไม่งั้นก็ต้องอ ბ ัตทุกฏเพราะสงสัยแล้วคืนทำข้อนึงอ่ะปัจจุทอนคือถอนเสียก็ดีเสียสระก็ดีเป็นต้นก็นดีในภายในอรุณและพิจุเป็นไข่ สงสมมติให้อยู่ปรจาจจะไตรจีวรก็ดีภิกษุเป็นบ้าก็ดีเหล่านี้ไม่เป็นอาบัติที่ข้าบทข้อนี้เป็นอนานติกาบังคับหรือว่าใช้คนอื่นเขาอยู่ปรจาจจะไตรจีวรตนเองไม่ต้องอาบัติแต่ว่าคนอื่นนะต้องอาบัติข้อนี้นะแต่ว่าถ้าไปชักชวนในสิ่งไม่ควรหรือว่าแกล้งก็มีโทษนะะมีองค์สี่ก็คือข้อที่หนึ่งผ้านั้นภิกษุอธิษฐานเป็นตรจีวรแล้ว ข้อที่สองไม่มีอนิสงส์กฐินด้วยข้อที่สามไม่ได้อวิปปวะสมมติก็คือสมมุติการอยู่ปราจากาย์ไตรจีวรข้อที่สี่อยู่ปราจากย์ผ้านั้นราตรีหนึ่งจนอรุณใหม่ขึ้นมาอยู่ตั้งแต่กลางคืนกระทั่งถึงตีห้านะแต่ตีห้ายังอรุณยังไม่ขึ้นแล้วก็ปล่อยให้อรุณขึ้นมานี่นะที่แรกก็รักษาไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยรักษาไว้ทั้งคืนเลยแต่ว่าพอตีห้าแล้วเกิด ไปข้อของน้ํานอกกุฏิไม่มีรั้วร้อมวัดด้วยไม่ได้อวิปวานสมมุติด้วยเกิดอารุณ์ขึ้นมาในตอนเช้านั่นนะ่ะอันนี้ก็ขาดดาตรีต้องอบัตเพราะอยู่ปราจจากปตรจิวอนเพราะฉะนั้นเอาตอนขาดดาตรีเนี่ยนะเอาตอนอารุณขึ้นนะ่ะงั้น อ, นอารุณขึ้นในตอนผ้ามาไว้ใกล้กลกลตัวหรือว่าอยู่ในบริเวณที่ผ้าอยู่ด้วยนั้นพร้อมด้วยองค์สีนี้จึงเป็นนิสกิยปจิตตี สมุดฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมกฐินสิกขาบทนั่นเองแปลงแต่สิกขาบทก่อนไม่ได้อธิฐานไม่ได้วิกัรชื่อว่าเป็นอาคิริยาก็แลในสิกขาบทนี้ไม่ปัจจุดทอนเสียในภายในอรุณ์ชื่อว่าเป็นอาคิริยาเหมือนกันแต่ว่าสมุดฐานอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดก็คือมีสมุดฐานสองกายวาจาหนึ่งแล้วก็กายวาจาจิตหนึ่ง เป็นโนสัญญาวิโมกอาชิตกาปันนติวัชชะกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มีจิตสามมีเวทนาสามสำหรับจีวรการจีวรการเรามาดูการละจีวรกับอาการละจีวรในสิกขาบทข้อที่สามในสิกขาบทที่สามชื่อว่าตาัติยกถินตัติยกถินหรือว่าการอาการละจีวรเนี่ยนะความว่า จีวรแห่งทิกษุสสาเร็จแล้วกรถินดอะแล้วผ้าอาการจีวรคือผ้าที่เกิดนอกจีวรการและผ้าที่ทายกเจาะจงให้เป็นอาการจีวรถวายในจีวรการก็ดีผ้าเช่นนี้ถ้าเกิดขึ้นแก่ภิกษุให้ภิกษุผู้จำานงพึงรับแล้วและรีบทำเสียแต่ใน1ิวัน ถ้าผ้านั้นไม่พอจะเป็นสังฆติหรือว่าอุตตระสง์หรือว่าอันตราวาตตกผืในใดผืนหนึ่งไซส์ถ้าความหมายจะได้แต่ญาติและมิตรเป็นต้นมีอยู่คือความหวัง่ะความหวังว่าจะได้มีอยู่ก็ให้ทิจุพึงเก็บผ้าเดิมนั้นไว้เป็นอัตเรกีวรเพียงเดือนหนึ่งเพื่อจะประสมกับผ้ า, ผ า, ผาที่หมายได้นั้นคือที่เจาะจองหรือว่าที่ตั้งใจไว้หรือว่าที่คิดหมายว่าคาดว่าจะได้ผ้านั้น ผ้าเก็บไว้ให้เกินเดือนหนึ่งไม่อธิษฐานวิกัปเสียแม้ถึงความหมายว่าจะได้ผ้าอื่นมีอยู่ผ้าเดิมก็คงเป็นนิส ก, กิยาปจิตติอันนี้ก็ให้เก็บจีวรไว้ได้ติดวันเท่านั้นอัติเรกจีวรตามสิขาบทนิสกิยาปจิตติข้อนะที่หนึ่งนะจีวรวักเนี่ยแต่ว่าถ้าผ้านั้นไม่พอเนี่ยจะทําจีวรเมื่อความหวังว่าจะได้มีอยู่ให้เก็บไว้ได้เดือนหนึ่งถ้าเกินเดือนหนึ่งก็ผ้าเก่านั่นก็เป็น ในสักขีพยจิตีสําหรับจีวรการจีวรการก็หมายถึงตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ็ดจนัึงถึงเป็นเดือนสิบสองถ้าไม่ได้กรานกระถินเนี่ยออกพรรษ า, าแล้วนับไปอีกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ็ดจนถึงเป็นเดือนสิบสองเนี่ยเดือนหนึ่งแต่ถ้าได้กรานกระถินก็ยืดออกไปถึงอีกสี่เดือนยืดออกไปสี่เดือนเป็นห้าเดือน นับจะออกพรรษาไปก็คือเพนเดือนสี่ถึงเพนเดือนสี่เลยอันนี้เรียกว่าจีวราการเป็นการที่สามารถที่จะรับจีวรทําจีวร อ, อะไรได้แล้วก็ยกเว้นสิกขาบทไปหลายข้อเลยจีวราการทัศมโยถ้ามีคํานี้ก็ไม่ต้องอบบัตเพราะว่าเป็นจีวราการสิกขาบทนี้ก็เป็นปฐมกสิณสุบถานเที่อันารย์กระจายวาจาวาจากจายวาจาคิต บทาี่สองอคิรยาบสัญญาวิโมกอ า, ก า, า, า, กอากกจิตกะปันนติวาชะกายกรรมบัญกรรมหรมีจิตตามมีเวทนาสามต่ตอไปในสิกขาบทที่สี่ชื่อว่าปุราะจีวระโทวพนะสิกขาบทนี่นนะความว่าภิกษุใดใช้นามภิกษุณีที่ได้อุปสมบทแล้วในสงสองฝ่ายคือภิกษุณีสองกับภิกษุสงภิกษุสองฝ่าย และนาภิกษุณีนั้นไม่ใช่ญาติด้วยไม่เป็นญาติให้ซักหรือว่าให้ย้อมหรือว่าให้ทุบให้ฟอกระตามซึ่งผ้าเกา่าคือผ้าที่นุ่งห่มแล้วแม้ครั้งหนึ่งผ้านั้นเป็นนิสกิยาตะกิตีนี่ก็จบเจตุถักสิกขาบทเกี่ยวกับเรื่องภิกษณุณีท่านก็ไม่ได้อธิบายอะไรละเอียดเพราะว่าไม่ไดต้องสิกขาบทข้อนี้แล้วถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูในอตถถาสมณตประสาทิกา ในทุกขบทีห้าชื่อว่าจีวรปฏิฆาหนะจีวรปฏิฆะหนะทุกขบดรับชีวรจากมือพิกษณุณีผู้ไม่ใชญาติความว่าพิกตุใดรับผ้าแม้กว้างยาวควรวิจับแต่มือนางพิกษณุณีผู้อุปสมบทในสองสองฝ่ายผู้ไม่ใชญาติผ้านั้นเป็นนิสกฐีต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันแม้ด้วยของเล็กน้อยก็ทําให้ไม่เป็นอันบัติ จห้านะต่อไปในสิกขาบทที่หกชื่อว่าอัญญาตกะวินยติความว่าทิกตูดายขอเองหรือว่าใช้ให้ผู้อื่นขอซึ่งผ้าแม้ควรวิกับเป็นปักฉิมประมาณก็คือขนาดยาวแปดนิ้วกว้างสี่นิ้วพระสุคต์นะนะถือว่ายาวศอกหนึ่งกว้างคืบหนึ่งของช่างไม้เนี่ยอันนี้เป็นผ้าควรวิกับ ถ้าเกิดไปขอผ้าควรกับเป็นปัจฉิมประมาณกับนรหธะผู้มิชญาตในประโยคที่ขออยู่ก็เป็นทุกฏได้มาเป็นนิส ก, กิยาปจิตติเว้นไว้แต่สมัยก็คือคราวที่พิสูรมีผ้าอันเขาชิงเอาไปเสียหมดถูกโจรชิงเอาไปหรือมีผ้าอันหายเสียหมดขอได้ไม่เป็นอบัติผู้ที่ติดแฝดกันฝ่ายข้างมารดาหรือบิดาขึ้นไป จนถึงปู่ทวดตาทวดซึ่งเป็นบุรพาบุรุษชื่อว่าญาติญาติก็หมายถึงชั่วเจตสกุลนะในคนใช่ญาติคือไม่ใช่ญาติเนี่ยเป็นติกาปจิตตีคือเขาไม่ใช่ญาติตรนั้นรู้ว่าไม่ใช่ญาติก็ดีสงสัยอยู่ก็ดีสําคัญว่าเป็นญาติก็ดีถ้าขอเขาคงเป็นปาจิตตีต่อไปข้างหน้านี่ในคําว่าติกาปจิตตีดังนี้ ให้พึงรู้โดยในดังกล่าวแล้วเถิดนะก็คือจะสมคันถูกหรือว่าจะสําคัญผิดก็ตามหรือว่าจะสงสัยก็ตามเป็นติกะปาจิตตีหมดนะก็คือสงสัยหรือว่าสําคัญถูกก็ตามสําคัญผิดก็ตามเป็นอบัติปายตีสามอย่างก็เรียกว่าติกะปาจิตตีจะไม่กล่าวพิตรดาอีกจะกล่าวแต่คําว่าติกะปาจิตตีเท่านั้นเขาเป็นญาติพิสูจน์สคัญว่าใช่ญาติ ก็คือเขาเป็นญาติเนี่ยแต่ว่าไปสําคัญว่าไม่ใช่ญาติหรือว่าพิจิตสงสัยอยู่ก็ดีและขอผ้าดังว่านั้นเป็นทุกกฎเป็นญาติจะ่ไปเข้าใจว่าไม่ใช่ญาตินะหรือว่าสงสัยได้อขอก็ทุกกฎเหมือนกันขอในสมัยก็ดีขอแต่ญาติหรือว่าคนปรณนาก็ดีขอเพื่อผู้อื่นก็นดีหรือว่าแลกเปลี่ยนมาด้วยทรัพย์ของตนที่เป็นกับปิยะก็ดีพิจิตรเป็นบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอบัติผ้าของ ทิฏฐ์อันพระราชาหรือนักเรงหรือโจรผู้ใดผู้หนึ่งแย่งชิงเอาไปเสียชื่อว่าเป็นคนมีผ้าอันเขาชิงเอาไปเสียผ้าของวิสูกไฟไหม้เสียก็ดีลอยน้ําไปก็ดีหนูหรือปลวกกัดเสียก็ดีเกาขาดเสียด้วยนุ่งห่มก็ดีเช่นนี้ชื่อว่าเป็นคนมีผ้าหายหรือว่าเสียหายชื่อว่าเป็นสมัยเป็นสมัยที่จะขอได้พระองค์ทรงอนุญาตให้ขอผ้าจากขันธ์ผู้มิชญาติ ถ้ายังไม่ได้ขอไปถึงอาวาสใ ด, ดเข้าก่อนจะถือเอาผ้าสําหรับวิหารและผ้าลาดบนเตียงผ้าลาดพื้นเปลือกฟูกเป็นของสงแนาววัดนั้นมานุ่งหม่มด้วยคิดจะกลับคืนให้ก็ควรจะถือเอามานุ่งหม่มแล้วก็คิดว่าไปคืนที่หลังก็ได้ถ้าไม่ได้ผ้าเช่นนั้นก็พึงปิดบังกายด้วยหญ้าหรือใบไม้มาห้ามเปรยมานะพึงปิดบังกายด้วยหญ้าหรือใบไม้แล้วจึงมา ยาเปลือยกายมาถ้าเปลือยกายมาเป็นทุกข์ก็ด่าผู้มีศรัทธากล่าวว่าข้าพเจ้าปราณนาด้วยปัจจัยทั้งสี่มีจีวรเป็นต้นผู้เป็นเจ้าต้องการสิ่งใดให้บอกให้ขอข้าพเจ้าจากถวายสิ่งนั้นเช่นนี้ชื่อว่าคนปราณนาปราณนาด้วยปัจจัยสี่เขาปราณนาเป็นของสงเขาปรนนธาเป็นสงนี่นะปรนนธาต่องสงผู้ประมาณจริยควรก็คือต้องรู้ประมาณว่าควรจะขอแค่ไหน เขาปรนนาเป็นบุคคลเฉพาะตัวด้วยปัจจัยสิ่งใดให้ขอแต่ปัจจัยสิ่งนั้นถ้าปรนนาเฉพาะตัวก็เขาปรนนาด้วยสิ่งใดก็ขอเฉพาะสิ่งา น, า น, านั้นนั้นถ้ายกเขาปรนนาด้วยปัจจัยทั้งสี่แล้วเขากําหนดเองแล้วถวายท่าตามการถวายข้าวตม้มถวายข้าวสวยเป็นต้นทุกวันทุกวันต้องการด้วยปัจจัยสิ่งใดเขาก็ถวายปัจจัยสิ่งา น, านั้นเช่นนี้กิจที่จะขอนั้นก็ไม่มีก็ไม่ต้องของแล้วนะเพราะว่าเขาก็ ราาปรณาเสร็จแล้วเขาก็ถวายทุกวันทุกวันทุกวั น, ก, วนก็ไม่ต้องไปขอนอกก็แลทายกผู้ใดปรณาแล้วและไม่ให้ก็เป็นคนขาวหรือว่าลืมไปทายกเช่นนี้ให้พึงขอนะถ้าเขาปรณาแล้วเขาก็ลืมหรือว่าเขาไม่ให้เป็นคนขาวหลงลืมเสมอเนี่ยมันก็ไปเตือนไปขอได้แต่ถ้าก็ให้อยู่ทุกวันแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปขอก็แลชื่อว่าขอเพื่อคนอื่นนั้นคือ ขอแต่ญาติและคนปรนนาของตนเพื่อพิกษุอื่นถ้าขอเพื่อคนอื่นนี้ต้องขอคนที่เป็นญาติของเราหรือว่าคนที่ปรนนาของเราเพื่อพิกษุอื่นอย่างนี้ก็ไม่จะได้หรือว่าเขาเป็นญาติเป็นคนปรนนาแห่งพิกจุใดขอเพื่อพิกจุนั้นอันนี้ก็ไม่มีอบัตแต่ไปขอคนที่ไม่ได้ปรนนาไม่ได้เป็นญาติของทั้งตัวเราของคนที่เราจะเอาของไปให้กับพระพิกจุนั้นอันนี้ไม่ได้ต้องขอกับคนที่เป็น ญาติของเราหรือว่าคนปรนารของเราดูว่าญาติของพิจุที่เราจะเอาของไปให้ขอเพื่อนคนอื่นเนี่ยขอเพื่อพิกษุใดต้องเป็นญาติหรือคนปรนนารเห็นพิจุนั้นด้วยหรือว่าเป็นญาติหรือคนปรนารของเราอันนี้ก็ไม่มีโทษสิกาบทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะเป็นอนานติกะไม่ต้องอาบัติหรอกถ้าไปใช้คนอื่นเขาทำนี่ใช้คนอื่นให้เขาไปขอเน่ยนะคนขอต้องอาบัติคนใช้ไม่ต้องอาบัติอานานติกะ พระวานให้ภิกษุขอแต่ญาติและคนปรณนาของเธอให้แก่ตนไม่เป็นอาบัติก็มีองค์สี่ก็คือข้อที่หนึ่งผ้ากว้างยาวควรวิกลับได้คือแปดนิ้วคูณสี่นิ้วพระสุคตเนี่นะครับข้อที่สองไม่มีสมัยเป็นข้อยกเว้นข้อที่สามขอกับคนที่ไม่ใช่ญาติข้อที่สี่ได้มา ตอนด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นนิสกิยาปจิตีน น, นีสิสกิยะเป็นสัญจริตตะสมุทฐานสมุทฐานหกเลยตามสัญจริตะก็คือทักษือเป็นผัวมียกรนเป็นกิริยาเพราะว่ามีการกระทํำก็คือการขอโนสัญญามิโมกก็คือเป็นอจิตตะปันนติวัชะก็กายกรรมวจีกรรมมีจิตสามมีเวทนาสามอันนี้ก็เป็นสิกขาบทที่หกต่อไปสิกขาบทที่เจ็ดชื่อว่า ดุตริสิกขาบทความว่าทสุมีผ้าอันเขาจริงเอาเสียหรือว่าผ้าหายดังกล่าวแล้วในสิกขาบทก่อนถ้ากระหัตผู้ที่ไม่ใชญ้ยะนำผ้ามามากปราวณาให้ทิกสุที่สุนั้นถ้าผ้าหายทั้งสามผืนพึงยินดีแต่สองผืนคือผ้านุ่งกับผ้าหม่มถ้าหายสองผืนพึงยินดีแต่ผืนเดียวถ้าหายผืนเดียวอย่ายินดีเลย ถ้าพิจูยินดีให้เกินกำหนดไปไซส์ในประโยคที่ขออยู่เป็นทุกข์กฎได้ผ้ามาเป็นนิสกิยาปัจจิตีในคนผู้ช้ญาติก็คือไม่ช่ญาตินะนะเป็นติกะปัจจิตีก็หมายความว่าจะรู้ว่าเป็นญาติก็ตามรู้ว่าไม่ใช่ญาติก็ตามหรือว่าสงสัยก็ตามจะรู้หรือไม่รู้แล้วก็สงสัยแต่ว่าเขาไม่ใช่ญาติไปขอมาก็เป็นติกะปัจจิตีเป็นปะจจิตีทั้งนั้น ผู้เป็นญาติสําคัญว่าไม่ใช่ญาติพอดีสงสัยอยู่พอดีขอแล้วยินดีให้เกินกําหนดเป็นทุกกฎที่สุกล่าวว่าเราจัดทาจีวรแต่สองผืนเหลือนั้นจัดเอามาคืนให้แล้วเอาไปมากก่อนก็ดีก็คือเขาเอามาถวายหลายผืนแล้วก็เอาไปห้าผืนแต่ว่ากล่าวบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอามาคืนนะเราจะเอาแค่สองผืนเท่านั้นจะเอาไปทําก่อนและเจ้าของกล่าวว่าเหลือนั้นจงเป็นของท่านพอดี อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะแเจ้าของบอว่าถเหลือเอาไปเลยถือเอาผ้าทิทยกเขาไม่ได้ให้เพราะเป็นคนมีผ้าอันเขาชิงหรือผ้าหายก็ดีถ้าเกิดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผ้าหายผ้าถูกชิงเอาไปแต่ว่าทาิยกกํำนัลถวายด้วยศรัทธาอันนี้ก็ถือเอาได้หรือว่าขอแต่ญาติหรือว่าคนที่ปรุงนาก็ดีแลกเปลี่ยนเอาด้วยทรัพย์ของตอนที่เป็นกับพิยะก็ดีทีกจู่เป็นบ้าก็าดีที่จู่เป็นบ้าเป็นต้นนะ เหล่านี้ไม่เป็นอบัติสิขาบทข้อนี้ก็เป็นอนานนติกะเหมือนกันไม่ต้องอบัติพอใช้นะมีองคศีก็คือยินดีให้เกินกำหนดอย่างหนึ่งอันที่สองก็ไม่มีเหตุเป็นต้นว่าผ้าเขาทิงเอาไปเสียหมดอย่างหนึ่งข้อที่สามขอจากคนผู้มิใช่ญาติข้อที่สี่ได้มาเป็นของตนพร้อมด้วยองศีนี้จึงเป็นนิส ข, ขีสมุททานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับสิกขาบทก่อนก็คือเป็นสัญเจริญตสิขาบทนะ สัญ จ, จริตะมีถุตุฐานหกเลยเป็นกิริยาโนสัญญวิโมกาจิตกะปะนานติวัชะากายกรรมะชีกรรมจิตสามเวชนาสามต่อไปเป็นสิกขาบทที่แปดชื่อว่าปฐมอุปคัตะสิกขาบทปฐมอุปคตะสิกขาบทก็หมายถึงเขาปรณนา้วยชีวอนนะนะไปขอเขาทำให้มันดีขึ้นความว่าเทรหัสผู้มิชญ า, าติเขาเจาะจงทิฏุ กำหนดตั้งมูลค่าจีวรมีเงินและทองเป็นต้นลงไว้ว่าเราจะเอามูลค่าจีวรเท่านี้ซื้อผ้าถวายแก่พิจูชื่อนี้พิจุนั้นทายกขเขาไม่ได้ปรณนาไว้ก่อนรู้ข่าวเองหมายจะไคร่ได้ผ้าที่ดีและเข้าไปว่ากะทายกว่าดีแล้วท่านจงเอามูลค่าจีวรนั้นซื้อผ้าให้ยาวให้กว้างให้แน่นให้ละเอียดให้เราเถิดตังนี้แล้ว ทายกเพิ่มมูลค่าซื้อผ้าที่ดีตามคํำพิจุผ้าที่ได้มานั้นเป็นนิสสกีต้องอบัตตาจิตตีอันนี้ก็ต้นบัญญัติพระอุบันันทศกเยบุตรไปบอกเขาให้ซื้อจีวรให้ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็มีอบัติแต่ถ้าเกิดไปบอกให้เขาซื้อจีวรให้ราคาน้อยลงให้เหมาะสมสมควรกับตนจีวรแพงๆอะไรพวกนี้ก็ไม่เอ า, าเอาพอสมควรอันนี้ไม่เป็นไรนะจะดอกให้ลดราคาลงอันนี้ไม่เป็นไร ต่อไปสกขบทที่เก้าชื่อว่าดุติยะอุปคตะสุขบทอธิบายความเหมือนประมอุปคตะสกขบทนั่นแหละแตกแต่ในสกขาบทก่อนนั้นเจ้าของคนเดียวภิกษุทําการเบียดเบียนแก่คนคนเดียวในสุขาบทนี้เจ้าของมากภิกษุไปให้เขาเข้าทุนกันชื่อว่าทําการเบียดเบียนแก่คนมากก็คือมีช่ภาพหลายคนที่เขาตั้งใจจะซื้อจีวรถวายพระภิกษุแต่ละคนแต่ละคนก็จะถือซื้อถวายคนละผืนคนละผืน ตัวพิสุบรราัศน์สกยบุตรนี่แหละก็ไปบอกเขาบอกว่าให้สองคนนะ่ะรวมกันเข้าหุ้นทุนรวมกรรันแล้วก็ซื้อจีวรนุพนเดียวให้แต่ว่าให้มีจีวรราคาดีๆนะซื้อจีวอนมีราคาดีอันนี้ก็ต้องบัตรนิสสกิยาปิตรีแต่ว่าถ้าเกิดได้เขาลดราคาให้เขาซื้อจีวรราคาต่ําลงนี่ไม่เป็นอบดับสิกขาบทที่สิบนี้ชื่อว่าราชาสิกธาบทความว่า พระเจ้าแผ่นดินหรือว่าขุนนางหรือว่าพราหมณ์หรือว่าคณะหัมบดีเขาเจาะจงพิกตุแล้วใช้ทูตให้เอามูลค่าจีวรไปตื้อผ้าถวายแก่พิกตุถ้าทูตนั้นไม่ซื้อผ้าเอามูลค่าจีวร น, นั้นไปถวายแก่พิกตุว่ามูลค่าจีวร น, นี้เฉพาะผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้านำมาขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับมูลค่าจีวร น, นี้ดังนี้ก็คือเอาเงินมาถวายพระภิกตุเลย พิจูนั้นพึงกล่าวกัะทูดผู้นั้นว่าเรารับมูลค่าจีวรไม่ได้เรารับได้แต่จีวรเป็นของควรในการที่ควรรับเท่านั้นถ้าทูดนั้นถามพิกจุนั้นว่าวัทยวชกรของพระผู้เป็นเจ้ามีหรือไม่ทางนี้ไซพิจูตผู้มีความต้องการด้วยจีวร อ, อยู่ก็พึงแสดงคนรักษาวัดหรือว่าอุบาสกให้เป็นวัทยวชกรโดยคำว่าผู้นั้นเป็นวัทยวชกรของพิกูตทั้งหลายอย่าว่าว่าท่านจงให้แก่คนนั้น ผู้นั้นเขาจับเก็บไว้ผู้นั้นเขาจักแรกผู้นั้นเขาจักซื้อจีวรว่าดังนี้ไม่ควรแต่ะวะ่าควรชี้ควรบอกว่าคนนั้นแลเป็นวัท ย, ยวิจกรของพิสุทั้งหลายถ้าทูตนั้นเขามอบมูลค่าจีวรกับวัท ย, ยวิจกรที่พิสุแสดงนั้นแล้วเขากลับมาแจ้งความแก่พิสุหรือเขาใช้ผู้อื่นให้มาแจ้งความว่าผู้เป็นเจ้าแสดงวัทยวิจกรคนใดวัท ย, ยวิจกรคนนั้นข้าพเจ้าสั่งไว้ให้รู้เสร็จแล้ว ผู้เป็นเจ้าจงเข้าไปเถอเขอจาจักถวายจีวรแต่ผู้เป็นเจ้าในการอันสมควรนางนี้สายทิศตูผู้มีความต้องการด้วยชีวรเพิ่งเข้าไปหาเวชวิจกรแล้วก็ทวงสองครั้งหรือว่าสามครั้งด้วยควําว่าเราต้องการด้วยผ้าแต่อยากกล่าวว่าท่านจงให้ผ้าแก่เราจงเอาผ้ามาให้เราแลกผ้ามาให้เราซื้อผ้ามาให้เรากล่าวดังนี้ไม่ควรกล่าวเฉยๆว่าเราต้องการซื้อผ้าหรือว่าต้องการด้วยจีวรเท่านั้น จะ่ปบอกให้เขาขอต้องเอาผ้ามาต้งเอาชีวรมาไปแลกผ้ามาไปซื้อผ้ามาให้เราอย่างนี้ไม่ควรถ้าบิสตุโจรท้วงก็คือทวงสองครั้งสามครั้งได้ผ้าสําเร็จมาก็เป็นการดีถ้าไม่ได้ผ้าสําเร็จมาไซเธอนั้นพึงเข้าไปเฉพาะต่อจีวรก็คือเข้าไปยืนเฉพาะหน้าเนี่ยนะยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพียงสี่ครั้งห้าครั้งหรือหกครั้งเป็นอย่างมากยืนได้สี่ครั้งหครั้งหกครั้งเป็นอย่างยิ่ง แล้วก็อย่านั่งในอาสนะด้วยอย่ารับอามิตรด้วยอย่าแสดงธรรมแก่เขาด้วยถ้าเขาถามว่าผู้เป็นเจ้ามาด้วยเหตุอะไรพึงกล่าวว่าท่านจงรู้เองเถิดถ้าเธอนั่งในอาสนะหรือรับอมิตรหรือว่าแสดงธรรมไซ้ชื่อว่าหักการยืนเพก็ว่ายืนได้หกครั้งถ้าไปรับนี่ก็หักนะทําเหตุที่มาให้ชิ้นหายเสียถ้าเธอเฉพาะยืนหมายถึงว่าเจาะจงการยืนนิ่งอยู่เพียงหกขนเนี่ยนะ เป็นอย่างยิ่งได้กีวรสําเร็จมาก็เป็นการดีถ้าไม่สําเร็จมาไซตต่อไปเธอพยายามยืนให้ยิ่งกว่าหกขนในประโยคที่พยายามอยู่เป็นทุกกฎได้กีวรสําเร็จมาผ้านั้นเป็นนิสสกิยะปาจิตตีต้องอบัปปายจิตตีถ้าไม่ได้ผ้าสําเร็จมาด้วยการยืนเพียงหกขนคือไปทวงแล้วสามครั้งแล้วก็ยืนอีกหกครั้งเนี่ยเป็นอย่างยิ่งแล้วไซต์หมายถึว่าไม่ได้ผ้ามาเนี่ย มูลค่าจีวรเขานำมาแต่ผู้ใดพิจุเพิงไปหาผู้นั้นเองหรือพึิส่งโทษไปให้บอกว่าท่านเจาะจงพิจุใดส่งมูลค่าจีวรมาของนั้นไม่สําเร็จประโยชน์สักน้อยหนึ่งแต่พิจุนั้นท่านจงทวงเอาของขอ ง, ของท่านเสียเถิดอย่าให้ของของท่านชิดายเฉยเลยอันนี้เป็นความชอบยิ่งในกรรมอันนั้นคือเป็นสามัจีกรรม ถ้าพิษูไม่ไปเองหรือว่าไม่สรงทูดไปบอกเจ้าของเดิมต้องวัตะเททะทุกกวัะตเภทก็ต้องอาบัตทุกกดเมื่อไม่ประพฤติตามสามิจิกรรมนี้ก็ต้องอาบัตทุกกดก็แลกับปิยาการกที่พิษุแสดงดำนี้พระองค์ทรงอนุญาตให้ทวงได้สามนยืนได้หกขนโดยกำหนดอย่างอุกฤษังสูงสุดเพราะเหตุนั้น เป็นอันุญาตยืนสองครั้งแทนการทวงครั้งหนึ่งยืนสองครั้งเท่ากับทวงครั้งหนึ่งได้เหตุนี้ถ้าพิจุทวงอย่างเดียวไม่ยืนทวงได้หกครั้งถ้ายืนอย่างเดียวไม่ทวงยืนนิ่งเฉยเฉยได้1ิสองครั้งถ้าทำทั้งสองอย่างททั้งสองอย่างก็ทวงทีหนึ่งก็ลดการยืนสองขนทวงทีหนึ่งก็ลดการยืนสองครั้งพิจุใดในวันเดียวไปบ่อยๆทวงครบอกครั้ง หรือไปกราวเดียวทวงครบอกครั้งก็ดีอ่นหนึ่งในวันเดียวไปบ่อยๆ ย, ยืนครบสิบสองโหนหรือไปกราวเดียวยืนในที่นั้นๆสิบสองแห่งยืนสิบสองแหงพิธุนั้นก็ชื่อว่าหักทวงหักยืนเสียงหมดแล้วก็ไปครั้งเดียวแต่ว่าทวงหกครั้งหกครั้งก็หมดสิทธิ์ทวงท่านไปทวงได้มาก็ต้องสัจญาปัิจตีแล้วนะหรือว่าไปยืนสิบสองครั้งเลยสิบสองแห่งในวันเดียวก็หมด ไม่สามารถจะไปยืนได้อีกแล้วถ้าไปยืนได้ยี่วันมาก็เป็นอิสัพยาปิจิตตีที่ไปทวงไปยืนในวันต่างๆไม่ต้องพูดถึงเลยไปวันเดียวถ้ายืนถ้าทวงหมดเรี่ยงหกครั้งสิบสองครั้งก็เป็นอันหมดสิทธิ์แล้วกัรปิยาการะลกที่ทายกแสดงเองทิกตุไม่ได้แสดงนั้นทิกตุจะทวงสักร้อยครั้งก็ควรเพราะฉะนั้นนี่ที่ไปยืนสิบสองครั้งทวงได้หกครั้งเนี่ย หมายถึงกับะยักษกรกที่พิกษุแสดงเองพิกษุแสดงในเมื่อเขารับเป็นกับะยักษกรกแล้วก็จะต้องมีกําหนดกฎเกณฑ์เหมือนกันไปทวงได้หกครั้งไปยืนได้สิบสองครั้งนี่หมายว่าอย่างเดียวนะถ้าทั้งทวงทั้งยืนก็ทวงสามครั้งยืนได้หกครั้งถ้าทวงอย่างเดียวก็ได้หกครั้งยืนอย่างเดียวได้สิบสองครั้งอันนี้หมายถึงกับะยักษกรกที่พิกสุแสดงเองแต่ถ้า เป็นกับยยากรกที่ทายกแสดงเนี่ยพิสุไม่ได้แสดงทวงสักร้อยครัง้งพันครั้งก็ไม่เป็นไรกับยยากรกใดที่พิกสุกและทายกไม่ได้แสดงเลยคือกับยยากรกรับอาสาเอาเองต่อหน้าพิกสุ ก, ก็ดีต่อหน้าทายกก็ดีและกับยยากรกที่รับมูลค่าไว้รับหลังก็ดีทั้งสองจำพวกนี้พิกสุกจะทวงไม่ได้เลยถ้าเป็นกับยยากรกที่เขาอาสามาเป็นเอง หว่ากับปิยาการกที่เขรับมูลค่าไว้รับหลังทิกตุจะไปทวงไม่ได้ในการทวงการยืนเกินกําหนดนั้นเป็นติกะปาจิตตีจะรู้ไม่รู้หรือว่าสงสัยว่าเป็นติกะปาจิตตีทั้งนั้นทวงและยืนยังไม่ครบกําหนดสําคัญว่าเกินก็ดีสงสัยอยู่ก็ดีและพยายามให้ได้ผ้ามาเป็นทุกกฎทิกตุทวงตามกําหนดและยืนตามกําหนดก็ดีไม่ได้ทวงกับปิยาการกนั้น หรือว่าซื้อมาถวายเองกับยกักษ์กรรคนซึ่งมาถวายเองก็ดีเจ้าของเดิมทวงมาถวายเองก็ดีพิจุเป็นบ้าเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอาบัติติขาบทข้อนี้ก็เป็นอนานาติกะเหมือนกันมีองค์สี่ก็คือกับยกักษกรรกตพิุแสดงเองเป็นพิกจุแสดงเองอันที่สองพูดบอกกับยิกษกรรไว้ให้รู้แล้วบอกพิจุให้รู้ด้วยปัสามพยายามคือทวงและยืนให้เกินกาหนด ข้อที่สี่ก็ได้มาด้วยความพยายามนั้นพร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นนิสสกีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนด้วยัญญาสกาวินัสติสิกขาบทก็คือไปขอจีวรกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นญาตินั่นเองสมุทฐานนั้นเหมือนกันก็คือเป็นสันเจริญตสมุทฐานมีสมุทฐานหกเป็นจิรยาโนสัญญาวิโมกขจิตตกะ อนติวัชชะกายกรรมปจิกรรมันก็มีศีลามีเวทนาสามเหมือนกันอันนี้ก็เป็นทัศมังจบปัตถมวัคโคก็จบวรที่หนึ่งศีลศิขาบทมีเป็นจีวระวัคต่อไปโกศยวัคก็เอาไว้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็สมควรกับเวลาขออนุโมทนาสาธุการไว้ท่านทั้งหลายได้ศรัทธาแล้วก็มีความเรื่อมใสมีใจในการรักพระวินัยเพื่ออบรมอธิสิทธิศิขาเป็นปัจจัยแก่อธิจิตศิกขาและ อธิปัญญาศิกขาขอให้ได้ตัดรู้อริยสัจธรรมประชุมพร้อมโพธิปักยธรรมมีอริยามรรคมีองค์แปดเป็นที่สุดก็คอยบรรลุเต็นพระโสดาบันอย่างน้อยในชาตินี้คอยพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เถินสาธุสาธุสาธุ